อนุรุทธสังยุตหนึ่งระโหคตะวักหมวดว่าด้วยผู้หลีเกเร้นอยู่ในที่สงัดหนึ่งปฐมมรโหคตะสูตรว่าด้วยผู้หลีเกเร้นอยู่ในที่สงัดสูตรที่หนึ่งขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของอนาถบินิกะเศรษฐีเขครุงสาวัตถี ครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความรำพึงขึ้นมาว่าสติปฐานสี่ประการอันชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้วอริยรมรรคที่ให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันชนเหล่านั้นพลาดแล้วสติปทานสี่ประการอันชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารบแล้วอริยรมรรคที่ให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบก็ชื่อว่า เป็นอันชนเหล่านั้นปรารบแล้วลำดับนั้นท่านพระมหาโมคลานะทราบความพรมเพึงของท่านพระอนุรุท ธ, ธะด้วยใจจึงหายตัวไปปรากฏเฉพาะหน้าของท่านพระอนุรุท ธ, ธะเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นทีนั้นท่านพระมหาโมคลานะได้ถามท่านพระอนุรุท ธ, ธะดังนี้ว่าท่านอนุรุทธะด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ภิกษุจึงชื่อว่าปรารบสติประฐานสี่ประการท่านพระอนุรุทธตอบว่าท่านผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายภายในอยู่ละถึงพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายภายในอยู่ละถึง พิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายภายนอกอยู่และถึงพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายภายนอกอยู่พิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายภายนอกอยู่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 กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้หากเธอหวังว่าเราเพิ่งมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูนนั้นอยู่หากเธอหวังว่าเราเพิ่งมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกรูลในสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่หากเธอหวังว่า เราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่หากเธอหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นอยู่หากเธอหวังว่า เราพึงเว้นสิ่งทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูนแล้วเป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่เถิดก็เป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลทั้งสองนั้นอยู่ 2. พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่และถึง พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในเวทนาทั้งหลายภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลายภายนอกอยู่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 ในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้หากเธอหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นอยู่หากเธอหวังว่าเราเพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่ ก็มีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่หากเธอหวังว่าเราเพิ่งมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่หากเธอหวังว่าเราเพิ่งมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ว่า ไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นอยู่หากเธอหวังว่าเราพึงเว้นสิ่งทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ก็เป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลทั้งสองนั้นอยู่ 3. พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในจิตภายใน ละถึงในจิตภายนอกพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่มีความเพียรละถึงกําจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้หากเธอหวังว่า เราพึ่งมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นอยู่และถึงเป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลทั้งสองนั้นอยู่ 4. พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายภายในและถึงในธรรมทั้งหลายภายนอก พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้หากเธอหวังว่า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 ปฐมโรโหคตะสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุติยโรโหคตะสูตรว่าด้วยผู้หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีครั้งนั้น ท่านพระอนุรุทธะหลีเล่นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดคำหนึงขึ้นมาว่าสติปัฏฐานสี่ประการอันชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้วอริยมรรคที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันชนเหล่านั้นพลาดแล้วสติปัฏฐานสี่ประการอันชนเหล่าใดเหล่ young, ลาหนึ่งปรารบแล้วอริยมรรคที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันชนเหล่านั้นปรารบแล้ว ลำดับนั้นท่านพระมหาโมคลานะทราบความรำพึงของท่านพระอนุรุท ธ, ธะด้วยใจจึงหายตัวไปปรากฏเฉพาะหน้าของท่านพระอนุรุท ธ, ธะเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนออกหรือคู้แขนเข้าฉะนั้นทีนั้นท่านพระมหาโมคลานะได้ถามท่านพระอนุรุท ธ, ธะดังนี้ว่าท่านอนุรุท ธ, ธะด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่า ปรารภสติปฐานสี่ประการท่านพระอนุรุทธะตอบว่าท่านผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินในนี้หนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่มีความเพียรละถึง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายนอกอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่ละถึงพิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอก พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในและถึงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนต์ในโลกได้ท่านผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงชื่อว่าปรารบสติปฐานสี่ประการทุติยาะรโะหคตะสูตรที่สองจบ สสุตตนุสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ริมฝั่งแม่น้ำสุตตนุสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำสุตตนุเขตครูงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควร ได้เรียนถามท่านพระอนุรุท ธ, ธะดังนี้ว่าท่านอนุรุท ธ, ธะได้ถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะทำเหล่าไหนที่ท่านอนุรุท ธ, ธะเจริญทำให้มากแล้วท่านพระอนุรุท ธ, ธะตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมได้ถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะสติปัฏฐานสี่ประการที่ผมเจริญทำให้มากแล้วสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้าง คือในพระธรรมวินัยนี้ผม 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้สองพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายละถึง 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ ท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมได้ถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะสติปัฏฐานสีประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วอันหนึ่งผมได้รู้ทำเลวโดยความเป็นทำเลวได้รู้ทำปานกลางโดยความเป็นทำปานกลางได้รู้ทำประณีดโดยความเป็นรำประณีดเพราะสติปัฏฐานสีประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วสุตตุสูตรที่สาจบ ปฐมมกันตะกีสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมที่กันตะกีวันสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคลานะอยู่ที่กันตะกีวันเขตเมืองสาเกตรครั้นในเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคลานะออกจากที่สงัดเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะ ถ, ถึงที่อยู่ ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระสารีบุตรได้ถามท่านพระอนุรุท ธ, ธะดังนี้ว่าท่านอนุรุทธะทำเหล่าไหนที่ภิกสุผู้เสขะพึงเข้าถึงอยู่ท่านพระอนุรุท ธ, ธะตอบว่าท่านสารีบุตรสติปัฏฐานสี่ประการที่ภิกสุผู้เสขพึงเข้าถึงอยู่ สติประทาน4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายละถึง 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ท่านสารีบุตรสติปฐานสี่ประการนี้ที่ิกษุผู้เสกขะพึงเข้าถึงอยู่พระธมมกันตั ก, กีสูตรที่สี ทียะกันตะกีสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมที่กันตะกีวันสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองสาเกตท่านพระสารีบุตรนั่งณที่สมควรแล้วได้ถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าท่านอนุรุธทธะรมเหล่าไหนาที่ภิกษุผู้อสศขะพึงเข้าถึงอยู่ท่านพระอนุรุทธะตอบว่าท่านสารีบุตร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 ติยกันตะกีสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมที่กันตกีวันสูตรที่สามเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองสาเกตท่านพระสารีบุตรนั่งนัทที่สมควรแล้วได้ถามท่านพระอนุรุท ธ, ธะดังนี้ว่าท่านอนุรุท ธ, ธะได้ถึงความเป็นผู้มีอภิน ญ, ญามากเพราะทำเหล่าไหนที่ท่านอนุรุท ธ, ธะเจริญทําให้มากแล้วท่านพระอนุรุท ธ, ธะตอบว่าผู้มีอายุ ผมได้ถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะสติปัฏฐานสีประการที่ผมเจริญทําให้มากแล้วสติปัฏฐานสีประการอะไรบ้างคือในพระธรรมวินัยนี้ผมหนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายและถึง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 ผมรู้โลกตั้งพันโลกได้เพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วตติยะกันตกักีสูตรที่6จบ 7. ตันหากะขยะสูตรว่าด้วย ทำที่เป็นไปเพื่อความสิ้นตันหาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นแหละท่านพระอนุรุทธะเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคํำท่านพระอนุรุทธะแล้วท่านพระอนุรุทธะจึงได้ ก, กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายสติปฐานสี่ประการ น, นี้ที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นตันหาสติปฐานสประการอะไรบ้างคือพิสุในพระธรรมวิในนี้ 1. นพิจารณาเห็นกายในกายอยู่และถึง 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ผู้มีอายุทั้งหลายสติปทานสี่ประการ น, นี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหาตัณหากะขยะสูตรที่เจจบ สละลาคาระสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่สละลาคารสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุท ธ, ธะอยู่ณสละลาคารเช ค, ครุงสาวัตถีณนะที่นั้นแลท่านพระอนุรุท ธ, ธะเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าละถึงได้กล่าวคานี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิ่ปราจีนบาไปสู่ทิ่ปราจีน หลากไปสู่ทิศปราจีนเมื่อเป็นเช่นนั้นมูมหาชนพากันถือเอาจอบและตะกร้ามาด้วยประสมว่าจากทดแม่น้ําคงคานี้ให้ไหลไปข้างหลังบ่าไปข้างหลังหลากไปข้างหลังท่านทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรมูมหาชนนั้นจะพึงทดแม่น้ําคงคาให้ไหลไปข้างหลังบ่าไปข้างหลังลากไปข้างหลังได้หรือภิกษุเหล่านั้นตอบว่า ไม่ได้ขอรับข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะการจะทดแม่น้ําคงคาที่ไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนให้ไหลไปข้างหลังบ่าไปข้างหลังหลากไปข้างหลังนั้นมิใช่ทําได้ง่ายทั้งหมู่มหาชนนั้นจะพึงมีส่วนแห่งความลําบากเหน็ดเหนื่อยแน่นอนผู้มีอายุทั้งหลายอุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้น พระราชามหาอมาตย์ของพระราชามิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตก็าตามพึงเชื้อเชิญภิกษุผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ประการทำสติปัฏฐานสี่ประการให้มากให้ยินดีด้วยโพคะว่าเชิญเถิดท่านผู้เจริญภากาสาวะเหล่านี้ทําให้ท่านเร่าร้อนไม่ใช่หรือท่านจะเป็นคนหัวโลนเที่ยวถือกระเบื้องไปทําไมเชิญเถิดเชิญท่านกลับมาเป็นครหัด ใช้สอยโภกทรัพย์และทำบุญเถิดผู้มีอายุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจเจริญสติปัฏฐานสี่ประการทำสติปัฏฐานสี่ประการให้มากจะบอกคืนศิกขากลับมาเป็นครหัสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตอันน้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกตลอดกาลนานแล้วจากเวียนมาเพื่อเป็นครหัต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 มีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเจริญสติประทานสี่ประการทำสติประทานสี่ประการให้มากอย่างนี้และสระราคารสูที่8จบ อัมพะปาลิวะณสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมในอัมพะปาลีวันสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะและท่านพระสารีบุตรอยู่ณอัมพะปาลีวันเขกรุงเวสาลีครั้นในเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่สงัดและถึงนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าท่านอนุรุทธะ อินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักสีหน้าบริสุทธิ์ผุดผ่องขณะนี้โดยมากท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่อะไรท่านพระอนุรุทธะตอบว่าผู้มีอายุขณะนี้ผมมีจิตตั้งมั่นดีอยู่ในสติปัฏฐานสีประการสติปัฏฐานสีประการอะไรบ้างคือในพระธรรมวินัยนี้ผมหนึ่ง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 ผู้มีอายุขณะนี้โดยมากผมมีจิตตั้งมั่นดีอยู่ในสติปทานสี่ประการนี้ภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาศพอยู่จบพรหมจรรย์ทำคิดที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นโดยมากชื่อว่า มีจิตตั้งมั่นดีอยู่ในสติปัฏฐานสี่ประการนี้ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าเป็นลาของพวกเราหนอพวกเราได้ดีแล้วที่ได้ฟังเฉพาะหน้าท่านอนุรุทธะผู้กล่าวอาสพิวาจาอยู่อัมพาปาลิวณสูตรที่เกจบ พาละหะคิลานสูตรว่าโดยพระอนุรุทธอาพาธหนักสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธอาพาธได้รับทุกเป็นไข้หนักอยู่ณป่าอันทวันเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุจํานวนมากเข้าไปหาท่านถึงที่อยู่แล้วได้ถามท่านพระอนุรุทธดังนี้ว่าท่านอนุรุทธอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไร ทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้วจึงไม่ครอบงำจิตอยู่ได้ท่านพระอนุรุทธะตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายผมมีจิตตั้งมั่นดีอยู่ในสติปัฏฐานสี่ประการทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้วจึงไม่ครอบงำจิตอยู่ได้สติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือในพระธรรมวินัยนี้ผมหนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่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 จึงไม่ครอบมัมจิตยอยู่ได้ภาละหะคิลานสูตรที่10บจบระโหคตะวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปฐมมารโหคตะสูตร สทุติยะโรโหคตะสูตร 3. ส, สุตนุสูตร 4. ปฐมมะกันตะกีสูตร 5. ทุติยะกันตกีสูตร 6. ตติยะกันตกีสูตร 7. ตัณหากะขยะสูตร 8. สดฉลลาคารสูตร 9. ก้าอัมภปาลิวณสูตร 10. ภารหคิฬานสูตร 2. ทุติยวักหมวดที่สองหนึ่งกับปะสห ส, สูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้ระลึกได้ตั้งพันกับสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุท ธ, ธะอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณิกะเศรษฐีเข ค, ครูงสาวัตครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปหาท่านพระอนุรุท ธ, ธะถึงที่อยู่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 กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ผู้มีอายุทั้งหลายผมได้ถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วอันหนึ่งผมประลึกได้ตั้งพันกับเพราะสติปัฏฐานสี่ประการ น, นี้ที่ผมเจริญทาให้มากแล้วกับปะสหัสสูตรที่หนึ่งจบ อ, อิที่วิทัสสูตรว่าด้วยเหตุที่ทําให้แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างท่านพระอนุรุท ธ, ธกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ละถึงใช้อํานาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ก็เพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทําให้มากแล้ว อิทิวิตสูตที่สองจบ 3. ทิพสะโสตสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้มีหูทิพผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ก็เพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทาให้มากแล้ว ทิพโสตสูตรที่สจบ 4. เจโตปริยสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้ได้เจโตปริยญาณผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมกำหนดรู้ใจของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคลเหล่าอื่นได้ด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะละถึงจิตยังไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตยังไม่หลุดพ้น ก็เพราะสติปทานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทําให้มากแล้วเจโตปริยสูตรที่สจบ 5. ฐานะสูตรว่าด้วยเหตุที่ทําให้รู้ชัดฐานะและอถฐานะผู้มีอายุทั้งหลายอนหนึ่งผมรู้ชัดฐานะโดยเป็นฐานะและอถฐานะโดยเป็นอถฐานะตามความเป็นจริง ก็เพราะสติปฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วฐานะสูตรที่หจบ 6. กกรร ม, มสมาฐานสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมผู้มีอายุทั้งหลายอนหนึ่งผมรู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริง ก็เพราะสติปฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วกรรมสมาทานสูที่หบจบ 7. สัพพะคามินีสูรว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชาติปฏิปทาที่ให้ถึงภูมิทั้งปวงผู้มีอายุทั้งหลายนหนึ่งผมรู้ชาติปฏิปทาที่ให้ถึงภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริง ก็เพราะสติปทานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วสัพพัทธาคามินีสูตรที่เจจบ8นานาธาตุสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดโลกที่มีธาตุแตกต่างกันผู้มีอายุทั้งหลายอนหนึ่งผมรู้ชัดโลกที่มีธาตุหลายชนิดและมีธาตุแตกต่างกันตามความเป็นจริง ก็เพราะสติปฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทําให้มากแล้วหน้านาทาตุสูตรที่8จบ 9. หน้านาทิมุติสูตรว่าด้วยเหตุที่ทําให้รู้ชัดหมูสัตว์ที่มีอัตยาศัยต่างกันผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมรู้ชัดว่าหมูสัตว์มีอัตยศัยต่างกันตามความเป็นจริง ก็เพราะสติปทานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทําให้มากแล้วนานาทิมุติสูตรที่9จบ 10. อินทรียะบโปรปริยะตะสูตรว่าด้วยเหตุที่ทําให้รู้ชัดความแก่อ่อนแห่งอินทรีย์ผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมรู้ชัดว่าสัตว์เหล่าอื่นและบุคคลเหล่าอื่นมีอินทรีย์แก่กล้าและอินทรีย์อ่อนตามความเป็นจริง ก็เพราะสติปฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วอินทรียะปรป ร, ริยะตะสูตรที่10บจบ 11. ชเอ็ดชาทา่ิสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำไม่รู้ชัดความเศร้ามองแห่งฌานเป็นต้นผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมรู้ชัดความเศร้ามองความผ่องแผ่วแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติ และการออกจากฌานวิโมกสมาธิและสมาบัตตามความเป็นจริงก็เพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วชานาที่สูตรที่11จบ 12. ปุเพนิวา ส, สูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้ระลึกชาติก่อนได้ผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างและถึงผมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ mm. ก็เพราะสติปทานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วปุเพนิวา ส, สูตรที่12จบ 13. ที่พระจักขุสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้มีตาทิพผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่ง ผมเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติตายและกำลังอุบตทเกิดด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ละถึงรู้สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นไปตามอำนาจกรรมละถึงด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์อย่างนี้ก็เพราะสติปัฏฐาน4ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วที่พจักขุสูตรที่13จบ 14. อาสวัคยสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้สิ้นอาสวะผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมรู้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันก็เพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วอาสวะขยะสูตรที่ส4บสี่จบทุติยวัคที่สอง รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. กั่ปะสหัสสะสูตร 2. อิทิวิทสูตรสาทิพโสตสูตร 4. เจโตปริยะสูตร 5. ้าฐานะสูตร 6. กรรมสมาธานะสูตร 7. สัพพัทธคามินีสูตร 8. นานาธาตุสูตร 9. นานาธิมุติสูตร 10. อินทริยะประโรปริยตตะสูตร 11. ชาณาธิสูตร 12. ปุกเพนิวาสาสูตร 13. ทิพจักหุสูตร 14. อาสวะคยะสูตรอนุรุทธะสังยุตที่8จบ